ย้อนหลังไปเมื่อ 700 ปีก่อนพ่อ 18 โดยทรงรวบรวมหัว เมื่อปีพุทธศักราช 1824 แล้วก็เป็นอันว่าพระองค์สามารถๆเข้ามารวมกันได้ทั้งหมดหลังจากนั้นพ่อ มาทรงช่วยกันเลือกชัยภูมิที่ทรงสร้างเมืองซึ่งในที่สุดก็ได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นณที่ราบริมฝั่งแม่น้ํารามิงเชิงดอยสุเทพๆในทุกวันนี้ว่าเชียงใหม่ มีกษัตริย์ราชวงศ์เมงรายปกครองกัน 20 หลังจากนั้น 2101 รวม นานถึง 262 ปีหลังจากนั้นจากนั้นอาณาจักรล้านเชียงใหม่และอาณาจักรล้านนาก็นานของอาณาจักร สิ่งหนึ่งที่ได้รับการบันทึกไว้ๆจน 8 ของ หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่าที่เรียก 2020 ในสมัยพระเจ้าตีโลกราชเป็นเจ้า พระสิริมังคลาจารย์รูปนี้นับเป็นปฐมปราทแห่งล้านนาไทยซึ่งทุกวันนี้ และประวัติๆทางเมืองเหนืออีกหลายองค์เช่นพระโพธิรังสีผู้แต่งเรื่องจามเทวีวง ซึ่งพรรณนาถึงสาเหตุที่พระ 8 ที่ 2020 นั่น อีกองค์นึงก็คือท่านเจ้าคุณพระอภัยสารทะหรือ 2438 ปกครองคณะสงฆ์ทั่วล้านนาไทยแยกต่างหากจากสมเด็จพระสังฆราชในกรุงเทพฯ สมเด็จพระสังฆราชซึ่งประทับณกรุงเทพฯไม่ทรงสามารถจะดูแลปกครองคณะสงฆ์ทางล้านนาไทได้ใกล้ชิดจึงมีพระสังฆราชแห่งล้านนาไทขึ้นอีกองค์หนึ่งล้านนาไทมีพระมหาเถระที่มีชื่อเสียงเกียรติคุณหลาย 10 องค์ แต่ว่าจะมีใคร 42 ปีจากสามเณรสู่ภิกษุและสิ้นอายุขายในผ้าเหลืองโดยไม่เคยได้รับๆไม่ได้เป็นๆทั้งสิ้น นับร้อยนับพันรูปมาเป็นศานุศิษย์เป็นผู้ทําให้ คิดเป็นค่าของเงินปัจจุบันเป็นหมื่นๆล้านบาทมีผลงานของท่านกระจายอยู่ทั่วล้านนาไทยจนกระทั่งท่านได้รับการยกย่องว่านักบุญแห่งล้านนาไทยพระภิกษุธรรมดาธรรมดาผู้ไม่เคยมีสมณศักดิ์องค์นี้ก็คือพระครูบาสีวิชัยซึ่งทุกท่านที่เคยเดินทางไปสู่แผ่นดินอาณาจักร จะไม่มีวันหนีพ้นนามของครูบาศรีวิชัย ครูบาสีวิชาัยในสายตาและความรู้สึกของสานุสิทธิ์ทั่วไปถว่าท่านคือผู้วิเศษผู้สามารถอย่างรู้จิตใจคนและดินฟ้ากศแต่ท่านเองบอกเสมอว่าท่านเป็นพระธรรดาธรรมาองค์หนึ่งเท่านั้นในชีวิตของท่านไม่เคยสร้างพระเครื่องหรือว่าเรียนรูปบูชาดแกจ่ายสานุสิทธิ์เลยไปผสมสร้างเป็นพระเครื่องไว้บูชาและก็เห็นความศัดสิทธิ์อภินิหารทันตา หลังจากท่านมรณภาพแล้วชื่อเสียงและเกียรติคุณของครูบาศรีวิชัยนักบุญ แห่งสถิงพระมีเกียรติคุณ 300 ปีแต่ ดุดุดุดุมุนดอก ก็มอนป่ะตัวพูดที่รนความเอยจังความเหมือนยาวยวนให้ช่วนชม ที่ที่ความซื่อตรงรักมั่นคง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 รอบๆที่ตั้งบ้านปางนั้นมีภูเขาใหญ่น้อย แสงสีแห่งความศิวิไลซ์นั้นยังเข้าไปไม่ถึงบ้านปางนอกจากนานๆที่คนบ้านปางจะ ุมน้อยผู้นี้มีชื่อเรียกในหมู่ชาวบ้านปางว่าในขวายเขาก็เหมือนกันนุมบ้านปางทั้งหลายที่เคยได้ยินได้ฟังแต่เรื่องราวความสนุกสนานของนครเชียงใหม่จนกระทั่งในที่สุดก็โอรณทนไม่ได้ก็เดินทางรอนแรมผ่านป่าเขาอันกว้างใหญ่เข้าไปสัมผัสแสงสีของนครพิงเหมือนบุกเพสันนิวตหนุ่มควายแห่งบ้านปางบ้านปาได้พบรักกับสาวเชียงใหม่ แล้วก็ได้เสียผีแต่งงานกันตามประเพณี คนที่ 2 เป็นผู้หญิงชื่อนางอรคน เตรียมไว้สําหรับลูกที่กําลังขึ้น 11 ค่ําปี 11 มิถุนายนปี 2421 เป็นปีที่ 10 ใน คืนวันนั้นนางอุสาครบกำหนดคลอดบุตรนอนเจ็บ แล้วพักเดียวดินฟ้าอากาศที่ปกติก็กลับมืดครึ้มหมู่เมฆ ละวินาทีนั้นที่ทารกน้อยลืมตา ขณะที่ทารกน้อยจะคลอดนั้นผู้เท่าผู้แก่ไม่ว่าชาวล้าน บางก็ว่ามีน้องชัยอีกคนหนึ่งชื่อไหนน้อยทาตั้งชื่อ หรือว่าอ้ายอินตาเฟือนนี่เติบโตขึ้นมาที่บ้านปางเหมือนกับเด็กทั่วไปที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างประคบ การทำนาทำไร่ได้ผลเพราะดิน ในข้อที่ว่าเป็นเด็กเงียบ 7-8 ปีเป็นต้นมา มีแต่จะพามันไปหาหญ้าอ่อนกินพร้อมกับอาบน้ําให้มันๆเพื่อ แต่พอนางอุสาจะนําปลาตัวนั้นไปฆ่าก็ อ้ายฝาหองก็ร้องห้อยบอกกับพ่อแม่บอกว่าเค้าสงสารปลาตัวนั้นที่จะต้องตายที่จะเอาตัวมาเป็นอาหารกินเค้าก็เลยเอาปลาตัวนั้นไปปล่อยเสียนายควายและนางอูษาก็ได้แต่นิ่งอึ้งอยู่เพราะว่าไม่สามารถจะหาเหตุผลอะไรมาโต้แย้งอ้ายฝาหองลูกชายคนนี้ได้ยิ่งเติบโตขึ้นอ้ายฝาหองก็ยิ่งทําความประหลาดใจให้แก่พ่อแม่หนักขึ้นไปอีกไม่ยอมแต่ เขาจะกินแต่พืชผักน้ำพริกเป็นประจำอยู่ทุกมื้อในหมู่คนเมืองชาวเหนือนั้นมีน้ำพริกกินกับผัก สัตว์ทุกชนิดย่อมรักชีวิตของตัว เขาหายไปในท้องทุ่งนาแล้วก็ชายสมบูรณ์ผูกวัวผูกควายเอาไว้แล้วก็นั่งเงียบๆอยู่ใต้ มีหนุ่มหนุ่มชาวบ้านปางวัดบ้านปางเป็นวัดเล็กๆตั้งอยู่เชิงเขาชายนาของหมู่บ้านปาง ใช้เรียกพระภิกษุที่แก่วรรสาบวช ก็เรียกตุเจ้าบ้านปางต่อมาเมื่อครูบาศรีวิชัยที่เคารพ อ้ายฟ้าฮองอยากจะศึกษาเล่าเรียนหนังสือซึ่งสมัยนั้นไม่มีโรงเรียนใครอยากจะเรียนหนังสือก็ต้องไปเรียนที่วัดมี ก็ทําแต่การเวลาก็ยังคงผ่านไปเกิดแรงบันดาลใจอย่างใหญ่หลวง แต่สําหรับหนุ่มฟ้าฮองแล้วไม่เคยสนใจเรื่องอย่าง อ้ายฟ้าฮองเป็นหนุ่มชะกันอายุ 18 ความเปลี่ยนแปลงก็มาถึงชีวิตของเขาด้วยความ เป็นจึงยืนยันอย่างแน่ชัดว่าชีวิตลูกชายคนนี้เห็นทีจะ การที่อยากบวดที่อยากบวชก็เพราะได้คิดพิจารณาเห็นว่าพ่อ แต่ต้องการจะร่ำเรียนประพฤติปฏิบัติกระทำกรรมดีเพื่อ หรือว่าเป็นแรงงาน 8 9 ขวบขึ้นไปขึ้นไป คนเมืองชาวเหนือแต่เดิมมาจึงจัดพิธีบวชเนนหรือที่ อ้ายฟ้าฮองนี่จะดีใจแค่ไหน 18 ปีแห่งชีวิตทางโลกก็ ไม่เคยสนใจยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคน โดยเฉพาะในชนบทบ้านป่าอย่างตําบล ก็เกิดๆให้อย่างไม่มีอะไรปิดบัง ครูบาขัตติยะท่านแก่กล้าในด้านวิปัสสนากรรมฐานอยู่ไม่น้อยเมื่อท่านเห็นว่าสามเณรฟ้าฮองสนใจก็เริ่ม 2 ปีเศษผ่านไปซึ่งก็ได้รับอนุญาตฟ้าฮอง 2442 สามเณรฟ้าฮองก็ได้บวชเป็น เมื่ออุปสมบทแล้วอุปสมบทแล้วสามเณรฟ้าหองซึ่งบัดนี้ พระภิกษุอย่างพระศรีวิชัยนั้นหายากเพราะมีความสมถะรัก ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลทุ่งแฝกอำเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนมีชื่อเสียงเลื่องของผู้คนทั่วไปไม่ว่า และเวทมนต์อาคมขลังต่างๆจาก 2442 เป็น เพราะไม่ปรากฏในหนังสือประวัติเล่มไหนเลยที่กล่าวถึงภาสิวิชัยว่า ที่วัดดอยแต้พระศรีวิชัยก็พบปะเพื่อนๆเพียงระยะเวลาไม่นานต่อมาระยะเวลา ที่อาวิจาการต่างๆอย่างเอาใจใส่แล้วก็สามารถจด และพระศรีวิชัยก็ การกลับมาตั้งแต่เด็กมาแล้วท่านไม่เคยกินเนื้อสัตว์เลยวัดบ้านปางซึ่งท่านเริ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมี้ยงนั้นปกติเป็นที่นิยมของคนเมืองชาวเหนือทั่วไปที่ชอบอมเหมี้ยงอยู่ตลอดเวลา ก็พากันมาทําบุญที่วัดบ้านปางเพิ่มขึ้น วัดบ้านปางจึงขาดเจ้าวัดที่จะปกครองดูแลพระภิกษุสามเณรลูกวัด ในละแวกท้องถิ่นนั้นเป็นครั้งแรกบ้านปางนับเป็นหมู่บ้านคนเมืองที่ตั้งอยู่ในวงล้อม ขมุอีก้อแม้วตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายอยู่โดยทั่วไปในเขตอำเภอ ในพุทธประวัติที่พระศรีวิชัยได้ร่ำเรียนศึกษาไม่ พระพุทธศาสนาจึงได้อุบัติขึ้นในการครั้งนั้นชั่วเวลาเพียง ผ่านไปถึงหมู่บ้านชาวป่าชาวเขาแห่งไหนก็ปักอยู่แห่งหนึ่งหลายวันอบรมสั่งสอนชาวบ้านชาวเขาให้นับถือพระพุทธศาสนาอันประเสริฐพระนับเป็นพระธรรมจาริกองค์แรกแห่งล้านนาไทยที่มุ่งเผยแผ่พระธรรมไปสู่ชาว ที่มีต่อพระศรีวิชัยภิกษุพระภิกษุร่างเกร็งผู้ห่มดองจีวรสีฝาดครูบาศรีวิชัยนั้นท่านเป็นนักจิตวิทยาเช่นสมุนไพรยารักษาโรคต่างๆเมื่อ ซึ่งแน่ละก็ย่อมจะขมุหรือว่าหมู่เซอซึ่ง พระศรีวิชัยมักจะออกทุรดงเรื่อยไปตามเวลาและโอกาสที่มีอยู่เป็นๆครั้งละเดือนครึ่งเดือนก็กลับมาสู่วัดบ้านปาง เป็นที่นับถือของชาวป่าๆกับคนเมืองในพร้อมกับชื่อบ้านปางที่ไม่เคยมีใครได้รู้จักในฐานะที่พระศรีวิชัยเป็นตุ๊เจ้าบ้านปางเวลา ชาวเขาจํานวนไม่ๆก็นิยมนําลูกหลานๆนํา จนกระทั่งเมื่อครูบาขติยะมรณภาพแล้วเกียรติคุณของพระ บางคนบางกลุ่มก็ลือกันหนักขึ้นไปอีกว่าพระอินทร์ได้เหาะลงมา ประพฤติปฏิบัติชอบเท่านั้นแต่การจะห้ามไม่ ข้าเจ้าได้ขานว่าพระศรีวิชัยมิใช่ผู้วิเศษอย่างที่ประชาชนวางป้อเข้าใจกันแต่รับ เพื่อจะฟังคําเทศคําสอนของท่านอยู่เสมอ นั่นคือบริเวณยอดเขาทางด้านที่ตะวัน 2 กิโลเมตรท่านก็เลยเกิดความกติยะสร้างวัด ดังนั้นเมื่อครูบาสีวิชัยเกิดความถ้า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 ท่านจะสามารถสร้างวัดบนยอดเขาแห่งนี้ สานุสิทธยินดีที่จะร่วมช่วยกันสร้างวัดบ้านปางขึ้นใหม่ Salvador Б Could จมกัน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะความ 7 ปีที่แล้วก็คล้าคล่อมไปด้วยผู้ ชาวเขาหลายเผ่าลงไปเก็บก้อนหินตามลำธาร ตรงกับปีพุทธศักราช 2447 ครูบาปีบวชได้ มากเป็นธรรมดาของแถบถิ่นในสมัยก่อนไหนผู้คนก็มักจะบุกบันไปหาของท่านก็ยิ่งๆครูบาสีวิชัยก็ เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยกับครูบาศรีวิชัยในบรรดาทุกปีที่ผ่านมานับแต่ท่านสร้างท่านวัดบ้านปางก็เป็น ถูกกล่าวหาจากเจ้าคณะแขวงอำเภอลี้ใน ระยะนั้นเป็นปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2450 มีพระครูมหารัตนากรเป็น วันเวลาแห่งระยะเข้าพรรษาตอนนั้นใกล้เข้ามาทุกวันครูบา แต่การศึกษาพระธรรมวินัยผลักไสผู้ที่เลื่อมใสใน ท่านคงจะนึกถึงสมัยที่พระ คูบาก็ทําพิธีบวชให้แก่ศานุศิษย์ทั้งปวงที่พากันมาจุมนุมอยู่ที่วัดบ้านปางเป็นรูปอันเป็นเรื่องน่าประหลาดอย่างที่อยู่ในชนบทแล้ว ไปเข้าหูเจ้าคณะแขวงอำเภอลี้และทางฝ่ายบ้านเมืองเป็นธรรมดาอยู่เองเมื่อมีคนนานาหาว่าท่านตั้งตน เมื่อครูบาสีวิชัยถูกหาว่าเป็นอุปชาทคืนและสีวิชัยมายังวัดเจ้าคณะแขวงสีวิชัยเดินทางออก ท่านอดใจรออยู่ที่วัดนี้แหละทุกคนให้อยู่ในความสงบอดใจรอศรีวิชัยถูก กระทั่งวัดเจ้าคณะแขวงอำเภอลี้ที่เคยเงียบสงบหนาแน่นไป และเจ้าเมืองลำพูนสอบสวนต่อไปพระครูศรีวิวาสะคือ ทั้งๆที่ท่านไม่ได้เป็นพระอุปัชฌาย์ส่วนความผิดอื่นๆ ครูบาศรีวิชัยว่าอย่ากระทำความผิดเช่นนี้อีกแล้วอนุญาตให้ครูบาศรีวิชัย แต่ว่าเรื่องของปากคน ไม่ได้โอ้อวดว่าเป็นผู้วิเศษ์แต่ประการใดใครไปมาหาสู่ก็สั่งสอนเทศสนาให้ล้มรถพระธรรมให้เป็นคนดีละเว้นความชั่วประกอบแต่กรรมดีอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาโดยแท้ครูบาสีวิจัยเป็นพระที่มีลักษณะเป็นผู้นําสามารถผูกจิตใจคนหมู่มากให้เชื่อถือได้ซึ่งจะหากเครียกกันในสมัยปัจจุบันแล้วนี่เหมือนกันนักลุกกระดมวลชนคนสําคัญที่เดียยว แต่ว่าการปลูกระดมมวลชนของท่าน ยังไม่เป็นที่รู้จักและเข้า ครูบาศรีวิชัยก็ได้รับหนังสือให้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ แต่สาเหตุที่แท้จริงจะเป็นอย่างโดยเจ้าคณะแขวงอำเภอลี้กล่าวโทษฟ้องมายังเจ้าคณะเมืองซึ่งสมัยนั้นเจ้าคณะๆคือพระ ครูบาศรีวิชัยจึงถูกนำก็ยังชวนไม่ให้เจ้าวาดวัดอื่นๆไปด้วยสอบสวนที่ เพราะว่าลืมวันนัดหมายส่วนข้อที่ว่าท่านได้ชักชวนเจ้าท่านไม่ได้ทํานะมีแต่เจ้าอาวาสวัดอื่นในย่านใกล้เคียงเห็น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 อาจจะด้วยเหตุนี้เองที่ครูบาสีวิชัย คราวนี้ถูกนําไปสอบสวน แล้วก็ไม่ปรากฏว่าเจ้าคณะแขวงลีจะแต่งตั้งพระภิกษุรูป แจ้งไปให้เจ้าคณะแขวงทราบเพื่อจะได้รวบรวมๆใน แม้แต่วัดบ้านปางเองก็เถอะท่านก็ 2453 ประชา นั้นแล้วพระ 2454 ในการนี้วัด เจ้าผนะแควโดยทั่วกันรวมทั้งวัดบ้านปางด้วยรวมทางวัดบ้านป่างด้วยฮุบาสถ Cosicare ได้ทำสิ่งซึ่งไม่เคยมีประพิกสุ encompassesการธัตย์วัดความหวัดป่าง จนล้นหลามออกมาภายนอกแล้วสวดพระมงคลคาถาเป็นการถวาย พวกครูบาศรีวิชัยกระด้างแต่สอบแล้วก็ไม่สามารถเอาผิดจากท่านได้ต่อแผ่นดิน ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ครูบา ป้องกันไม่ให้ผู้ใดคิดร้ายล่วงล้ำเข้ามาในสำนักของครูบาสีวิชัยได้ข่าวก็เลยลือไปว่าคราวนี้ครูบา ว่าจะทำประการใดดีถึงจะสามารถทำให้ครูบาสีวิชัยเสื่อมศรัทธาไปจากประชาชนได้เพราะถ้าหากว่าจะเรียกครูบาสีวิชัยเข้าไปสอบสวนเมืองลำพูนแล้วหากผลออกมาเช่นเดิมครูบาสีวิชัยก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นไปอีกเจ้าพลนะแขวงหลีกับนาย เพื่อที่จะให้ไล่ครูบาศรีวิชัยออก พร้อมกับเป็นกกกล่อมซ่องสมผู้คนทั้งคฤหัสถ์ 2462 เมื่อพระครูยานนมงคลเจ้าคณะเมืองลำพูนได้รับคําฟ้องท่านก็ เรื่องร้ายแรงต่างๆ2462 นั้นที่วัดบ้านปาง ร. บัญชีวิชัยได้เปิดอ่านท่ามกลาง 12 มกราคม 2462 จากเจ้า และเจ้าคณะแขวงลีกลับคัดคืนต่อระเบียบราชการบ้านเมืองเรื่องการสํารวจวันที่ พระครูยานมงคลประทับตราเจ้าคณะจังหวัดลําพูนมาเป็นสําคัญนี่คือคําสั่งที่ครูบาศรีวิชัยได้รับท่านจะต้อง ก็ยังมีหนังสืออีกฉบับนึงถึงเจ้าอาวาสวัด 12 มกราคม 2462 พระครูยานมงคลเจ้าคณะจังหวัดลำพูนสั่งมา มีความผิดถูกไล่ออกจากจังหวัดลําพูนถ้าพระศรีวิชัยมาขออาศัยอยู่วัดวาอารามตําบลๆในเขตจังหวัดลําพูนอย่าให้ ท่านประกาศทันทีว่าท่านไม่ยอมออก แรกทีเดียวสานุศิทธิ์ของครูบาณศรีวิชัยซึ่งมีทั้งๆต่างแสดงแต่ครูบาณศรีวิชัยได้ขอ บัดนี้ท่านเจ้าคณะแขวงและอำเภอลีก็ ถึงได้มาที่วัดบ้านปางเพื่อจะมาบวชมาเรียน คือพระครูยานมงคลทราบโดยทันทีพร้อมกันนี้นายอำเภอลี้ก็ได้รายงานให้ข้าหลวงเมืองลําพูนทราบด้วยก็ วัดบ้านปางเดินทางเข้าเมืองลําพูนเพื่อสอบสวนพิจารณาความกันต่อไปเหตุการณ์ตอนนี้เจ้าสุริยวงศ์สิโรรสผู้ซึ่งบันทึกอ่าประวัติครู ในอรัญญวาสแห่งท่านคันธะสงฆ์สามเณรพร้อมกันแล้วท่านก็เทศนาให้พระภิกษุ เมืองลำพูนแล้วจักร้ายดีประการใดก็ไม่แจ้งส่วนตัวเราถึงจะ จะก็แล้วแต่ตัวไปหลบหลีกแอบแฝงอยู่แห่ง ถ้าท่านทั้งหลายจะถือมั่นอย่างเราไม่กลับกลายไปเป็น 300 รูป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 แต่ว่าท่านก็เข้าไปยกปราสาทหลังนั้นให้ตั้ง แสดงนิมิตก็พากันชื่นชมยินดีแล้วก็ทํานายฝันว่าท่านคง ท่านจึงได้อุทิศตัวเอง โดยมีภิกษุสามเณรสานุศิษย์จํานวนมากจะ 30-40 ตัวบินที่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 คราวนี้ผู้คนยิ่งตกตื่นมาดูกันมากขึ้นพร้อมกับส่งเสียงวิจารณ์เหตุ นี่คือเหตุมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นณวัดบ้านปาง 1 วันก่อน บัดนี้เมื่อท่านจะเดินทางจากวัดบ้านปางเข้า แต่ในที่สุด 2462 เช้าวัน 300 รูปสามเณรอีกประมาณ 400 รูปและ ที่เป็น 1,000 คนซึ่งในเช่นยางขมุแม้วลีซออีกก็จํานวนไม่น้อยที่ 3 อีกนาง เพื่อหาท่านพระครูบาเจ้าเมื่อเห็นหน้าพระครูบาเจ้า ถ้าเป็นอยู่อย่างนี้หัวอกของแม่ก็ แล้วกล่าวว่าโยมแม่อย่าพึงน้อยใจเพราะเรื่องทํานองนี้มันเป็นธรรมดาของโลกเพราะเหตุนี้เองพระพุทธองค์ ได้ถูกทรมานแค่นี้ก็เพียงความทุกข์อันเล็กน้อยเบาบางยังไม่ จึงได้รับความทุกขเวทนาเป็นคนอนาถายากไร้การที่จะให้เราลาสิกขาเป็นคารวาสเจ้า ยอมตายในพุทธจักรเทิดทูนบูชาคุณพระ ขอโยมมารดาจงตั้งจิตอธิษฐานอนุโมทนาสาธุการ บ้างก็หามหามเครื่องทยทานประดับประดา ก็จะตกแต่งเครื่องทัยธานน้อม เมื่อเริ่มต้นเดินทางภิกษุสามเณรรวมจํานวน 800 รูปเดินตามหลังครูบาศรีวิชัยซึ่งเดินนําหน้าเพราะ แต่ละที่ที่ครูบาศรีวิชัยผ่านไปนั้นล้วนแต่มีคนมาเคารพศรัทธา 2 พักที่วัด 3 พักแรม 4 พัก พักแรมที่วัดต้นทงซึ่งแต่ละวัดที่ครู 3,000 คน เล่าถึงเหตุการณ์เมื่อครูบาศรีวิชัยท่านเล่าว่าเมื่อครูบาศรีวิชัยมาพักแรมอยู่ที่วัดต้นทงอันเป็นเขตชานเมืองลำพูนห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 2 กิโลเมตรชาวเมืองดนตรีซอไป จัดเป็นขบวนครัวทานเตรียมแห่ครูบาสีวิชัยเข้าเมืองลำพูนใน จึงเตรียมกําลังรับเหตุการณ์อย่างพร้อม ภูชนียสถานคู่เมืองลำพูนครั้งเมื่อขบวนของ พบมีดพราที่นำติดตัวมาเพื่อประกอบอาหารระหว่างๆของสามเณรที่มีไว้เหตุการณ์นี้สร้างความไม่พอใจให้เกิดเหตุร้ายขึ้นที่หน้าวัดพระธาตุทารี พระทุกรูปเนนทุกองค์ทุกคนตั้งอยู่ในความสงบแล้วตำรวจก็ เป็นที่จำวัดและพรรคแรมอันเป็นภาพเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าหน้าที่ ชาวเมืองต่างนำพระทหารเข้าไปถวายเพลแด่ สามารถแบ่งปันให้คนอื่นหรือว่าคฤหัสถ์สานุศิษย์ของ คนหนึ่งมาตั้งถิ่นฐานทํามาหากินอยู่ สังฆสาก็ลืมตายประกาศก้องว่าเค้าจะที่ เมื่อเจอเข้าหมายนี้ตำรวจก็ต้อง เรื่องราวคงจะลุกลามกันไปใหญ่โตจึงพร้อมใจกันทําหนังสือแจ้งให้ ตลอดทั้งคืนในวัดพระธาตุทฤปุญชัยประชาชนชาว พูดเท่าผู้แก่ชาวมืองลำภูลู๋ที่เคยเห็นเหตุก่างครั้งนั้น helpful เชาบ้านจํานวนเป็นพันพันคนต่างเฮลลลู๋ผ่านประตูวัดพทัศม gainsภทยาธหริภุנהชัย และเมื่อได้พบครุบาสตاغก็นั่งลงคุกเขาก้มกราบ จนกระทั้งล้านวัด น่าอัศจรรย์ภิกษุหนุ่มอายุเพียง 41 ปีบวช 21 พรรษาไม่มีสมณศักดิ์อะไรไม่สร้างพระเครื่อง หรือสถานที่ใดก็แล้วแต่ในเมืองลําพูนอีกต่อ ดังนั้นหนังสือด่วนจากข้าหลวงเมืองลําพูนพร้อมด้วย ดังนั้นในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ครูบา 10 กุมภาพันธ์ปี หลังจากที่ทั้งรถไฟสายเหนื้อสร้างโมยเงิงรัมภูรณ์ที่ตำบลววางต้อง จึงมีการดำรถ� être bundleจากรุงเทป บันทุกรถไฟขึ้นไปใช้ ที่น.ชีรียงใหม่ ในบันดาเสร็จทีที่มีรถยนต์ ใช้เป็นสมัยแรกของค่อน.ชีรียงใหม่ ไปลำพูนซึ่งมีระยะทาง 26 กิโลเมตรได้ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้นเมื่อ 16 บาทสมัย ซึ่งความจริงแล้วเงินรูปีเป็นสกุลเงินตราของ แต่ทางราชการก็ยินดีสู้ราคา สายวันนั้นชาวเมืองลําพูนนับ ความอลวงก็เกิดขึ้นที่วัดพระธาตุอีกครั้งหนึ่งแต่ครูบาได้ขอ ภิกษุสามเณรและสานุศิษย์ของท่านทุกคนต่างจะทุกคนก็จะพร้อมใจกันเดินด้วยเท้าไปสู่นครเชียงใหม่แต่ หรือเป็นอันขาดของครูบาศรีวิชัยติดตามไปสู่โดยคณะกรรมการที่ เพื่อเป็นตัวแทนของสานุศิษย์ทั้งหมดในที่สุดก็เป็นการตกลงกันได้เหตุจุลมุนต่างๆที่วัดพระ ส่วนภิกษุหรือจะไปอยู่ที่วัดแห่งใดก็ได้นั้นก็ขอให้เลือกเอา ได้ยินแต่เสียงเครื่องยนต์ที่เริ่มทำงานแล้วนา藤 french น่าตีต่อมาเสียงอื้องก็ดังฟังไม่ได้สับอีกครั้งนึงมีทั้งเสียงอวยชายให้พรเสียงแห่งความีอะไรรักแม่กระทั่งเสียงร้องหายเพราะไม่รู้ alláกรรมของพ่อครουบ่า ครูบ่าไม่ได้หันกลับไปมองภาพนั้นเลยท่านนั่งเหนียบสงบ วัน 10 กุมภาพันธ์ 2462 เป็นเหตุการณ์ข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรบ้างที่ท่านออกพ้นจังหวัด ต่างก็พากันออกมายืนอยู่ เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องประหลาดอันใดที่นครเชียงใหม่ในบ่ายวันนั้นจะจอแจกึกกักบ่ด้วยผู้คนมากหน้าหลายตาที่รวมตัวกันขึ้นเรื่อยๆติดตามรถครูบาศรีวิชัยในที่สุดรถยนต์ก็นําครูบามาถึงวัดเจตวันถนนท่าแพอันเป็นที่สถิตของเจ้าคณะเมืองเชียงใหม่ฝูงชนที่ ไปหรือที่คนเชียงใหม่อยู่ที่วัดจังหวัดเป็นเจ้าวาดอยู่หรือที่คนเชียงใหม่สมัยนั้น ไม่เป็นความจริงเป็นความจริงท่านก็คงจะไม่เต็ม เมื่อน่าสงสารครูบาถึงเชียงใหม่ก็ถูกห้ามมิให้อยู่กับครูบาศรีวิชัยน่าสงสารครูบาเพราะว่า ฉินี้เราย้อนไปถึงเหตุๆในเมืองลำพูนพร้อม ที่เพิ่งออกใช้ใหม่ให้ถูกต้องเพิ่งออกใช้ใหม่ให้ถูกต้องถ้า เพียงรูปเดียวเท่านั้นแต่บัดนี้ สามารถที่จะกลับไปสู่วัดบ้านปางปฏิบัติธรรมสืบต่อไปเหมือน แทนที่จะร่วมกันต่อสู้ใน ส่วนฝ่ายที่ยอมรับรู้และ ไม่หนีหายไปไหนปรากฏว่าทั้งขุนประสานเนี่ยนาย เจ้าสุริยวงศ์ว่าท่านพระศรีวิชัยเจ้าภิกษุตน ก็อย่างขาขมุหมู่เซอที่บ่เคยเชื่อมีทิฏฐะ ครูบาศรีวิชัยท่านไม่เคยโกรธหรือว่าอาฆาตแค้นใคร เป็นผู้ที่มีจิตใจอบอ้อม ชาวเมืองเชียงใหม่รวมทั้งชาวป่าชาวเขาจะมาสู่วัดสี คณบดีทั้ง 2 ท่านนี่ก็คือผู้ เพื่อนำหลวงอนุสารสุนทรอันเป็นพ่อค้าผู้มีจิตใจดีฟ้องกล่าวนับตั้งแต่มาประกอบอาชีพในเมืองเชียงใหม่นานหลายปีกับเจ้าคณะจังหวัด สมัยนั้นหลวงอนุสารตั้งห้างๆนานาทั้ง ครูบาถูกนำมากักอยู่ที่วัดปากรวยวันก็ ทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ต่อไปได้หลวงอนุสารสุนทร ที่อยู่ที่ประตูท่าแพในเวียงเชียงใหม่เสร็จๆที่ พร้อมกับถวายอาหารให้ฉันเป็นประจำทุก จึงเป็นการเรียกร้องดึงดูดใจคนเชียงใหม่ทั่ว ล้นออกมาจนถึงบริเวณลานวัด ท่านเกรงว่าบรรดาผู้ที่มาหาสู่ครูบา ที่จะจนกระทั่งไหนที่สุดผู้คนที่ศรัทธาในตัวครูบา ใครไปมาหาสู่ท่านท่านก็ต้อนรับตามอัตภาพ เสียงประชาชนชาวเชียงใหม่ที่ศรัทธาในก็ เพราะถ้าหากปล่อยเรื่องไว้เรื่อยไปอย่างนี้ก็มีแต่ณโดยตรงดีกว่าที่จะ เมื่อจะส่งครูบาไปรับการ 8 ข้อซึ่งล้วนแต่ ความผิด 8 ข้อที่คณะสงฆ์ให้สอบสวนครูบาสิวิชัยในอดีตณ์ต่างๆก็มีข้อหนึ่งครูบาสิวิชัยตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะปก ซึ่งเป็นท้องที่ที่วัดบ้านปางตั้งๆเพื่อชี้แจงเรื่องพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสงฆ์ เมื่อครั้งมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระข้อเจเจ 5 เจ้าคณะ จัดจวนวัดต่างๆให้ขัดถืนต่อข้อ 6 เมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้าน มีแต่วัดบ้านป่ข้อ 7. เจ้าขณะแขวงรี่องค์ใหม่นัดประชุมเจ้าอาธิการวัดต่างๆในเกรตอำเพริรี. มีเจ้าอาธิการหลายวัดไม่ยอมมาประชุมมีเจ้าอธิการหลายวัดไม่ยอมมาประชุม Viol신 ข้อ 8. ครู strings、「วิดพูยส่าย segunda เดินไปกลางฝนไม่เปียกไปกลางฝนไม่เปียกเดินสูงกว่าพื้นดินๆที่ครูบา ท่านก็เคยได้รับการลงโทษว่า 6 8 นั้นครูบา ดังนั้นการตั้งข้ออติกรณ์ที่ปี 2463 คือวันที่ครู ในระหว่างการเดินทางไกลครั้งนี้ทั้งนี้โดยพลโท ดังไปขึ้นรถครูบาสีวิชัยก็ต้องเดินทางจากเชียงใหม่ไป รถยนต์อย่างแล่นข้ามไม่ได้ครู ที่นั่นเจ๊กโงก็นํารถยนต์ จานุสิทธิ์จํานวนไม่น้อยของครูบาที่เมืองลําพูน คนในขบวนรถไฟที่ขึ้นรถไฟจากสถานีวัง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 ส่วนมากมีภูมิลําเนาอยู่ใน ครั้นต้นเดือนมิถุนายนสมเด็จพระสังฆราชทรงมีประกาศแต่งตั้งพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์เป็นคร 8 ข้อที่ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และเจ้าคณะจังหวัดลำพูนส่งมากับหลวงประสานคดีชนการ ยังได้เสนอข่าวเดินบนผิวน้ําได้โดยไม่จมเป็นต้นเป็นเหตุให้มีผู้คนหลงเชื่อเป็นจํานวนมากเรื่อง ได้ส่งผู้สื่อข่าวออกสืบหาข่าวนี้ปี 2463 แล้วต่อมา 10 มิถุนายน เพื่อมีความสมบูรณ์ขึ้นการเล่าเรื่องของครูบาสีวิชัย เป็นเจ้าพริกไทยอยู่ถ้าวันพระแล้วไม่ฉันอะไรเลยวัด เป็นต้นว่ามีผู้นําเงินทองเครื่องบริโภคไปทําบุญ แล้วพระองค์นี้ก็จัดเตรียมการไว้เสร็จแล้วพอจวนจะ คีนี้เจ้าคณะสงฆ์และกรมการครั้น 2462 กรม ได้บอกกับพระศรีวิชัยพระศรีวิชัยตอบว่าอาตมาไม่ได้เป็นเจ้าอธิการเมื่อจะสำรวจอย่างไรก็สำรวจเอาเองตามชอบใจพระละเนนในวัดบ้านปางมีความกลัวจึงพากันหลบหนีเข้าป่าไปบ้างกรมการอำเภอก็สำรวจไม่ได้ก็รายงานบอกว่า นำเอาบรรดาถ้าไม่มีใครรักสาวัดให้เอาฝากไว้กับชาวบ้านเนนที่อยู่ในวัดบ้าน ทีนี้เจ้าพนาสงขลัมพูนได้มี เพื่อจะได้ทําบุญพร้อมกับพระศรีวิชัย ประกอบกับเห็นว่าไม่มีความผิดแต่ความรู้ยังบกพร่องอยู่บ้างนายกขึ้นไปสอบไล่พระธรรมวินัยจังหวัด เอาตัวไปกักขังไว้ที่วัดสีดอนชัยแล้วก็ เมืองปายเมืองพราวเชียงดาว 16 พฤษภาคมในพลโทหม่อมเจ้า เชื่อว่าแล้วจัดส่งขึ้นไปสั่งสอนที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้สั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาต่อไปคงมีความ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 กรมการอำเภอก็จะจัดตั้งผู้นั้นนี่พระศรีวิชัย คือปล้นฆ่าฟันกันอย่างเช่นที่เป็นมา เกรงว่าตัวเองจะขาดลาภยศชั่วความชั่วนั้นราษฎรรู้ก่อน หวังใจว่าท่านบรรณาธิการคงจะ 10 มิถุนายนปี 2463 ครับข่าวที่ปรากฏ ว่าครูบาสีวิชัยพระภิกษุจากเมืองไกลองค์นี้จะมี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 เอาตัวพระศรีวิชัยไปกักไว้ที่วัด 1 เอปีแล้วปล่อยกลับไปบ้านปางแต่ถอดเสียจากตําแหน่งเจ้าส่วน เจ้านครลําพูนนิมนต์ไปทําบุญเธอมีคนติดตามไปมากเจ้าคณะจังหวัดหาว่าเธอเป็นกบฏจึงเอาตัวไปไว้ที่วัดหลวงอีกคราวนี้มาพบพาตัวเข้าไปไว้ที่วัดศรีดอนชัยเมืองเชียงใหม่พระมหานายกออกไปสอบธรรมได้พิจารณา ควรให้อยู่ศึกษาที่เชียงใหม่ให้ทําทันบนว่า สมควรที่รัฐบาลจะอุดหนุนส่งเรื่องนี้พระมหานายกไม่ได้มีบอกเข้ามาให้รู้บอกเมื่อกลับมา แต่เปรียบเรื่องอื่นที่พบมาจะแจ้งเหมือนข่าวใน พระศรีวิชัยมาทุกคราวไม่ได้ต่อสู้ในคราวที่ไม่มาก็เป็นแต่ถูกเรา ดูไม่ยุติธรรมเวลานี้อยู่ในกรุงเทพเรื่องนี้เป็นที่อื้อฉาวแล้วเธอจงสอบ ถ้าพระศรีวิชัยไม่ได้ทําความผิดอย่างนั้นจงเรียกสํานวนฝ่ายคณะ <c oughs> เนื่องจากไม่รับธรรมสํารวจพระวัดบ้านปางถ้าจริง แล้วปล่อยตัวกลับไปปล่อยตัวกลับไปถ้าจะ แล้วการไต่สวนข้ออติกรณ์ที่ครูบาศรีวิชัยถูกที่วัดเบญจมะบพิตรนั่นเองซึ่งตลอดระยะเวลาเหล่านั้นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรฤทธิ์ไม่ได้เคย การสอบสวนข้ออติกรณ์ของครูบาสิวิชัยเริ่มตั้ง 2463 นั่นเองพระบรมวงศ์เธอกรมหมื่นจินาวร ตลอดจนถึงพลโทหม่อม คือครูบาศรีวิชัยถูกคณะกรรมการที่สมเด็จพระสังฆราชตั้งขึ้นสอบสวน ซึ่งเป็นองค์ประธานในการไต่สวนครูบา เป็นเหตุระแวงของเจ้าหน้าที่ฝ่าย กระหม่อมทั้งหลายจึงได้พิจารณาถึงการที่พระศรีวิชัย เพื่อตักเตือนให้รู้ระเบียบสงฆ์และ 4 ทางราชการป่าวร้องให้วัดทั้งหลาย 5 เจ้าคณะแขวงดีเห็น เพราะเอาอย่างพระศรีวิชัยจึงร้องต่อข้อ 1, เพ ย, ะ, ล, น น, ยย1 5 พระศรีวิชัย 1 5 พระศรีวิชัย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 ตามคำแก้ของพระศรีวิชัยนั้นถูกเพราะเธอถูกถอดแล้วจากการ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 โดนตากฝนแล้วไม่เปียกพระศรีวิชัยจะอวดเองหรือคนอื่น เมื่อมีคนเล่าลือกันไปเองจะ 6, 6 7 ข้อ 8 ได้ความว่า นี่คือหนังสือสรุปผลการไต่สวนที่พระวรวงศ์เธอกรมหมื่นชินวรศิริวัฒน์ เพื่อเป็นการตัดสินไต่สวนคดีของครูบาสีวิชัยซึ่งมี คณะกรรมการไม่ได้พิจารณาข้อหา 5 ข้อเบื้องต้นด้วย บวชกุลบุตรโดยไม่มีใบอนุญาตนั้นมี การลงโทษจักเป็นไปโดยพอดีไม่ ขอให้เจ้าคณะจังหวัดซึ่งเป็นพระเป็นผู้บอกนัดพระศรีวิชัยข้อ 4 ทาง ตามประทิบตีครองกรองในพระราชพิธีราชาพิเศษสมโภชพระศรีวิชัย บังคับประชาชนให้จัดงานฉลองไม่เป็น ไม่เป็นหลักฐานคนทั้งหลายจึงเห็นว่าคมเหง ยังไม่ได้ทําการจัดว่าเป็นความผิดทางอาญาแผ่นดินหรือ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 ก็จงให้เป็นไปตามเดิมถ้าไม่ควรก็จงให้มีสังกัดอยู่วัดใดวัดหนึ่งเป็นไปครับเราจะ ละทรงปราณีครูบาสีวิชัยอยู่ไม่น้อยเลยที 21 พฤษภาคมปี 2463 จนกระทั่งคณะกรรมการไต่สวนเสร็จเรียบร้อยและ ครูบาสีวิชัยจึงได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระจากพระราชหัตถเลขาพระองค์ที่ทรง ได้ใต้สวนเห็นว่าเป็นพระที่อ่อนโยนไม่มีความกระด้างไม่ใช่เจ้าเล่ห์ คืออุปชาของเธออุปัชฌาย์ของเธอชื่อขตยะเมื่อจะถึงมรณภาพได้ตั้งเธอปกครองวัด ความปรารถนาของครูจะหาที่อยู่ต่อไปได้สิวิชัยใคร่จะกลับไปอยู่วัด ถ้าพระศรีวิชัยจะไปอยู่วัดบ้านปางก็น่าจะต้องให้เป็น พระศรีวิชัยก็ให้ได้รับความรู้กลับไปมีความผิดอีกถ้า 43 ปีแล้ว เธอจงส่งพระศรีวิชัยกลับขึ้นไปก่อนมนษาจง ค่าใช้จ่ายในการส่งพระศรีวิชัยกลับจงแจ้งวัดบ้านปางหรือวัดอื่น เมื่อพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นชินวรศิริวัฒน์นำความนี้ไปบอกครูบาสิริวิชัย เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับลำพูนของท่านครั้งนี้ภิกษุบ้านนอกจากวัดบ้านเป 21 กรกฎาคม 2463 คืน ที่สถานีรถไฟหัวลําโพงมีชาวเหนือจํานวนมากมาส่งท่านที่สถานีรถไฟด้วยใบหน้า พอวันที่ 23 กรกฎาคมท่านก็ได้ถึงลําพูนบ้าน 2 เดือน 4 วันนับแต่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 เพื่อซึ่งท่านใช้เวลาตลอดชีวิตหลังจากนี้วัดเก่าที่ชำรุดสุโสมซึ่ง จัดเครื่องไทยทานและเครื่องสักการะไปถวายเจ้าคณะอำเภอลี้เจ้าคณะอำเภอลี้ประหลาดใจนักแต่แล้วก็ดีใจ ครูบาก็เดินทางเข้าลําพูนจัดเตรียมเครื่องธัยทานดอกไม้ธูปเทียนไปถวายและคารวะเจ้าคณะและรองเจ้า ครูบาศรีวิชัยแม้จะถูกรังแกจาก และรองเจ้าคณะจังหวัดคือเจ้าอาวาสวัด พิเคราะดูก็พอจะมองเห็นได้ว่า Emmanuel ตรีวิชัยตอนนี้แล้ว Thermodronaut is แล้วก็รองเจ้าคณะแขวงอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน ดังนั้นจากที่ถูกไต่สวนจนพ้นความธรรมดาธรรมดาอย่างท่านจะมีโอกาสอย่างนี้โอวาท เมื่อได้คืนกลับสู่ภาคเหนืออีกแล้วท่าน นำเครื่องธัยทานต่างๆอันเป็นของพื้นเมืองเหนือติดตัวลงมาตามสมควรเพื่อนำอื่นๆเช่นพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจินวรจริยวัตร ครูบาศรีวิชัยได้เดินทางกลับลําพูนเมื่อ 12 ปี พ.ศ. 2463 นั่นเองคราวนี้ท่านไม่ได้เดินทางกลับไปนั่นเองวัดเชียงยันนี้ถึงแม้จะเป็นวัด แต่เป็นวัดที่สุดโสมเกือบจะกลายเป็น แต่ได้มาขออนุญาตจากท่านถูกต้องตามประเพณีไทยและตามการปกครองคณะความ เป็นผู้มหัศจรรย์ของครูบาสิวิชัยก็เกิดขึ้นชาวบ้านจํานวนมาก วัดเชียงยันที่แทบจะหมดสภาพเป็น ที่ชาวบ้านๆเริ่มด้วยชาวอําเภอห่างฉัดจังหวัดลําปางได้มา พุทธะทํานายว่าเมื่อพระองค์เสด็จปรินิพพานแล้วพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ ไม่มีใครมีแรงพอที่จะเรียกร้อง ส่วนท่านก็จะขออธิษฐาน ท่านต้องการผูกจิตผูกใจชาวบ้านให้มา อำเภอห่างฉัดเมืองลำปางพร้อมด้วยคณะศรัทธา ในรูปแบบเดิมที่เป็นของเก่ารูปแบบเดิมที่เป็นของเก่าน่านิยมครูบาอีก ก็คงป่นปี้หาศิลปะชิ้นพระธาตุม่อนไก่แจ้อย่างสนุกสนาน ศยินธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาดขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมทํา 643 ครับ 084643 870 ครับ